ลมยังหายวอกแหวกหายใจว้วหายใจอย่าหยุดหายใจนะหายใจไว้หาย ใ, หใจเรารู้สึกตัวไปการภาวนามันมีสองขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งก็คือฝึกจิตใจให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวขั้นตอนที่สองก็คือเมื่อจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจ ขันที่ฝึกให้จิตใจอยู่กับ เ, เนื้อกับตัวนี่เนขั้นของการฝึกสมาธิแต่มีสมาธิจิตใจก็ไม่ไม่หลงไปไม่ไหลไปขั้นมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจคือขั้นเจริญมิปัสสนาเราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้ถ้าเราลืมตัวเราเองใจเราหลงไปไหลไปลืมตัวเอง งั้นต้องมาตื่นขึ้นมาให้ได้นะรู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้ซะ ก, ก่อนตัวนี้สำคัญยิ่งกว่าว่าไปทำความสงบสิ่งความสงบนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะถ้าเราภาวนาเป็นมีสติรู้ทันจิตใจที่ฟุง้งซ่านศัตรูของความสงบนะศัตรูของสมาธิคือนิวรมีแค่ห้าตัวเองมีกรรมมฉันทานิวร ความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายพยาบาทความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายความฟุ้งซ่านรําคัญใจความลังเลสงสัยความเสื่องซึมสิ่งเหล่านี้เป็นตัวที่ทำให้ใจไม่มีสมาธินิวรณก็เป็นกิเลสเมื่อวานหลวงพ่อบอกแล้วว่า ถ้าเมื่อไหรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสงั้นอาศัยที่เราฝึกรู้จิตรู้ใจตัวเองนี่แหละจะเกิดสมาธิได้ง่ายที่สุดเลยตอนหลวงพ่อเด็กๆไม่เข้าใจหลักอันนี้ก็ไปนั่งสมาธินั่งรู้ลมหายใจแต่ตอนเด็กๆมันไม่คิดมากนะหัดง่ายตอนเจ็ดขวบหายใจไม่กี่วันจิตเนรวมแนละ้วสว่าง สว่างแล้วก็ไปไหนไม่เป็นนะทำอะไรไม่เป็นเจอเทเรนปัญญาไม่เป็นออกผิดเที่ยวข้างนอกนึกถึงอนะไรนัแสงสว่างก็ส่งไปเหมือนฉายสปอตไลท์ไปนะใจก็ไปไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรงั้นแต่นรกไม่ไปกลัวผีนะสิ่งที่ไปรู้ไปเห็นนะจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่เห็นจริงๆรินะเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นจริงหรือเปล่าไม่รู้ แล้วที่สําคัญคือไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับความพทุกข์อย่างการออกรู้ออกเห็นภายนอกนะสนุกนะแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับความพทุกข์เลยมันต้องมาย้อนกลับเข้ามาทวนกลับเข้ามารู้กายรู้ใจตัวเองให้ได้โอปัยโกน้อมกลับเข้ามาหาตัวเองให้ได้ตอนเด็กๆไม่รู้หลักนะก็ใช้หายใจเอาให้จิตไปจับอยู่ที่ลมถ้จิตมีปีติมีความสุขอะไรขึ้นมามนก็ขมนวอนไป ในตำราเขาสอนไว้นะว่ า, วาองค์ฌานปฐมฌานมีองค์ฌานห้ามีตกพิจาร์ปีติสุขเอกอากตาองค์ฌานทั้งห้าเนี่ยเป็นคู่ปรับกับนิวรณ์ทั้งห้าตัวมีคู่ชกันด้วยนะกว่าเราจะได้ปฐมฌานนะแล้วข่มนิวรณห้าตัวนี้นะไม่ใช่ง่ายอย่างกว่าปฐมฌานจะเกิดนะอย่างเรารู้ลมหายใจ จนลมหายใจสั้นลงสั้นลงแลกลายเป็นแสงสว่างตัวลมหายใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตแสงสว่างเรียกว่าอุขะหะนิมิตแล้วจิตเราเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างจิตตรึกอยู่ในแสงสว่างเรียกว่าวิตกจิตเคล้าเคลียกับแสงสว่างเรียกว่าวิจารณถ้าใจไม่หนีไปไหนไม่วอกแวกไปไหนนะมีปีติอะไรขึ้นมา แต่ตอนก่อนที่จะมันจะเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งอย่างแท้จริงนะอารมณ์มันยังไหวอยู่ดวงกระสินนัยังไหวอยู่ดวงปฏิภาคนะแต่ว่าตรงเป็นอุขาหานิมิตตรงที่มันไหวเนี่ยเราคุมไม่ได้แต่ถึงดวงปฏิภาคนะอันนี้เราชํานาญล้เราคุมความสว่างได้ให้กําหนดให้ใ ห, ใหญ่ยังไงก็ได้นะให้เล็กยังไงเท่าปลายเข็มเลยก็ได้เนี่ยจิตเขาเคลียร์มีวิตก คืตรึกอยู่ในดวงปฏิภาคมีวิจารคือเคล้าเคลียอยู่กับดวงปฏิภาคนิมิตนะมีปีติมีความสุขมีว่าเป็นหนึ่งขึ้นมานี่ถึงจะเข้าปฐมฌานะตรงที่ได้ปฏิภาคนิมิตเนี่ยคืออุปจาระสมาธิเงีนะ้ยอย่างที่พวกเรานั่งนั่งแล้วก็เครื่มเคลื่อแล้วบอกว่าได้อุปจาระไม่จริงนะั้นไม่ได้เรื่องหรอกนะอุปจาระสมาธินี่ถึงได้ถึงปฏิภาคนิมิตลนะอย่เว้นกรรมฐานบางอย่าง อย่างการเจริญพรหมวิหารเมตอะปมัญญาอะไรพวกนี้ไม่มีนิมิตไม่มีปฏิภาคนะใจมันจะสงบสว่างสบายไร้ขอบไร้เขตไปเลยไปไปอีกแบบไม่มีไม่ต้องผ่านปฏิภาคจะเข้าอารูปไปเนีอกมันยากกว่าที่จะข่มนิวนลงไปได้ด้วยฌานนะแต่ไม่ยากเลยถ้าเรารู้หลัก ที่ง่ายที่สุดเลยก็คือสติไม่เกิดร่วมกับกิเลสเมื่อไหรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติอาศัยสติที่เราคอยรู้จิตรู้ใจตัวเองนี่แหละเพราะกิเลสเกิดที่จิตกิเลสไม่ได้ไปเกิดที่ลมหายใจไม่ได้เกิดที่มือที่เท้าที่ท้องงั้นถ้าเราหัดดูจิตดูใจให้ชํานาญเนี่ยนะเรื่องสมาธิเป็นเรื่องเล็กเลยเราจะเข้าสมาธิได้รวดเร็วมากเลยเนื้อจะเข้าก็ดูจิตเนี่ยนะ กิเลสอะไรแฝงอยู่รู้ทันในนิวรณ์แฝงอยู่ในจิตรู้ทันปั๊บขาดสะบั้นเลยเรื่องใจมีความหิวใครเคยเห็นใจหิวอารมณ์บ้างอยากดูรูปอยากได้ยินเสียงนั่นแหละคือกรรมมาฉันทะใครเคยเห็นใจที่ไม่ชอบไม่อยากไปดูรูปไม่อยากไปฟังเสียงอยากอยกสงบนิ่งๆอยู่นั่นพยาบาทเกลียดอารมณ์ข้างนอกนะใครเคยเห็นใจเคลื่อนไปเคลื่อนมาใส่ไปใส่มา นั่นคืออุทัจจะเห็นแล้วรำคาญชื่อกุกกุตจจะมีจะอยู่คู่กันฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญใจต่อใครเคยนั่งภาวนาแล้วก็สงสัยว่าจะดูอะไรดีเนี่ยความลังเลสงสัยนะใครเคยนั่งแล้วก็ซึมเคลิมซึมนี่ก็เป็นนิพพานอีกตัวงนะึชื่ออะไรนะปีนมิทะนะง่ายมากเลยหมูหมูเลย านิวรณตัวใดปรากฏขึ้นกัจิตมีสติรู้ทันมันขาดสะบั้นทันดีเลยเมื่อจิตปราศจากนิวรณจิตจะเป็นอะไรจิตจะมีสมาธิอัตโนมัติเลยนี่เป็นวิธีทำสมาธิของคนที่ดูจิตชำนาญ น, นะบางคนนึกว่าดูจิตแล้วทำสมาธิไม่เป็นกอเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยหลวงพ่อยังเคยเข้าใจผิดเลยหลวงพ่อนั่งสมาธิมาแต่เด็กไปเจอหลวงปู่ดุลย์ หลวงปดูลสอนให้ดูจิตนะแล้วลืมดูลืมนั่งสมาธิเลยสนุกกับการดูจิตอาศัยกําลังที่นั่งสมาธิยี่สิบปีนี่มีกําลังส่งมากเลยมีกําลังแรงที่จะดูจิตดูใจได้สองปีกว่าๆโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิเลยแต่ปรากฏว่าตอนที่ดูจิตดูจิตนะดูอยู่เจ็ดเดือนแล้วไปส่งกันบ้านหลวงปู่นะมันเป็น ครั้งที่สที่ไปหาหลวงปู่ครั้งแรกก็ไปเรียนกรรมฐานครั้งที่สองนะสเดือนไปส่งกันบ้านครั้งแรกส่งกันบ้านครั้งแรกนี่ทำผิดไปรักษาจิตให้ว่างๆให้นิ่งๆประคองตัวรู้อยู่นะหลวงปู่บอกทําผิดไปแทรกแซงจิตแล้วก็มาดูต่ออีก4เดือนไปส่งกันบ้านท่านนะไปเล่าให้ท่านฟังว่เนะี่ยดูจิตอยู่นะแล้วมันวูบลงไปหนะลวงปู่บอกจิตเข้าสมาธิ ใจมันสงสัยสงสัยก็หลุดปากออกาไปหลวงปู่ครับทำไมว่าจิตผมเข้าสมาธิผมไม่ได้นั่งสมาธิผมดูจิตอยู่หลวงปู่บอกว่าการดูจิตนัจะได้สมาธิอัตโนมัตินได้อัตโนมัติเลยนะแล้วการดูจิตดูใจนี่แหละเป็นกรรมฐานที่ทําสมาธิได้ถึงชา้นที่แปดเลยนถึงอรูปฌานได้เลยนะละเอียดยิ่งกว่าดูลมหายใจซิอีกลมหายใจได้แค่ชา้นสี่ ถ้ต่อเข้าดูจิตได้นะขึ้นฟวดขึ้นฌานที่8ได้เลยเพราะว่าลำพังการดูตัวจิตตรงๆนะจะเป็นฌานที่6กนะเนฌานที่6วิญญาณอัญจายตนะนะดูแล้วก็เพิกวิญญาณออกก็จะเป็นอากินจัญญายตนะพอนะเพิกกล้วใจมันไม่มีอะไรจับที่หยาบๆนะสัญญาจะคลายตัวออกเนะหลือแต่มีสัญญาก็เหมือนไม่มีมีอยู่นิดเดียวเป็นเนวสัญญาณนะสัญญายตนะ ดังนั้นถ้าเราดูจิตดูใจให้ชํานาญในเรื่องการทําสมาธิจะเป็นเรื่องเล็กอย่างพวกเราหลายคนที่นั่งสมาธิแล้วก็ไม่เคยสงบเลยนะจิตใจไม่มีความสงบสุขเลยพอมหัดรู้ทันจิตใจของตัวเองกัหลวงพ่อไม่นานนะการทําสมาธิเป็นของง่ายง่ายขึ้นสําหรับพวกเราเลยนะการรักษาศีลก็เป็นของง่ายเพราะเรามีสติรักษาจิตกิเลสเกิดขึ้นมาเรารู้ทันกิเลส ด, ดับจิตมีศีลอัตโนมัติ การทำสมาธิเป็นของง่ายเพราะนิวรณ์เกิดขึ้นมานิวรณ์ก็เป็นกิเลสแต่เป็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นเรามีสติรูธธ้ทันนิวรณดับนะจิตก็ได้สมาธิขึ้นมาเห็นไหมอาศัยการรู้ทันจิตนะมีศีลขึ้นมามีสมาธิขึ้นมาแล้วการดูจิตให้เกิดปัญญาทำยังไงการดูจิตให้เกิดปัญญาเนี่ยทำได้หลายแบบเลยอันแรกนะถ้าเราทำสมาธิมาก่อนออกจากสมาธิมาแล้วใจมันจะว่างๆไม่มีอะไรให้ดูวันนี้ไปดูกายก่อน แต่สักพักหนึ่งพอจิตมันหยาบขึ้นนะจะเริ่มเห็นกิเลสอะไรต่างๆผุดขึ้นมาหรือถ้าเราเข้าสมาธิไม่ลึกมากตอนออกจากสมาธิให้มีสติดูจิตเข้าไปเลยอันนี้เป็นเคล็ดลับที่หลวงพ่อพูดสอนหลวงพ่อพูด ท, ท่านเรียกว่านาทีทองในขณะที่เราทําสมาธิแล้วตอนถอยออกจากสมาธินี่ท่านอยากทิ้งนาทีทองนี้ไปท่านบอกให้เรามีสติรู้ทันจิตเข้าไปเลยจิตเมื่อกี้มีปีติ จิตตรงนี้ไม่มีปีติจิตเมื่อกี้สงบเป็นหนึ่งจิตตรงนี้แว่งไปแฝงมาไม่สงบเนี่ยท่านบอกนี่คือการเจริญปัญญาละออกจากสมาธิแล้วเจริญปัญญาเลยถ้าสมาธิไม่ลึกมากนะจิตจะเคลื่อนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้มีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตก็จะเห็นว่าจิตนั้นเกิดได้ดับได้จิตมีปีติก็มาดับจิตมีความสุขก็ดับจิตเป็นหนึ่งนิ่งนิ่งอยู่ก็ดับน่ากลายเป็นจิตไม่นิ่งเป็นจิตไม่สุขเป็นจิตไม่มีปีติอะไรขึ้นมา เป็นจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาเนะนี่ยการที่เราเห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าการเจริญปัญญา น, ะนี่สาหรับคนซึ่งเข้าชานได้แต่ว่าไม่เข้าฌานลึกถ้าเข้าชานลึกจนแนบแน่นมากๆถอยออกมาเนี่ยจิตจะทรงตัวเด่นดวงเฉยอยู่อย่างนี้เลยแต่ว่าไม่เกินเจดวันถึงนิ่งอยู่ก็ไม่เกินเจดวันก็เสื่อมเหมือนกันนะถ้ามันนิ่งอย่างนี้นานแล้วก็อย่าไปดูจิตเสียเวลาดูกายเลยให้เห็นกายกับจิตนี่เป็นโคละอันกัน พอดูกายได้เดี๋ยวก็มาดูเวทนาเวทนากับจิตเป็นคนละอันกันนะมีกายมีเวทนาส่วนจิตมันนิ่งนั้นเป็นสังขารที่ปลุงนิ่งสังขารเรามันนิ่งไปแล้วเราก็ไม่ดูมันเราดูกายดูเวทนาไปนะเราก็จเจริญปัญญาได้เห็นกายไม่ใช่เราเห็นเวทนาไม่ใช่เรานะสุดท้ายไม่เห็นจิตที่เป็นคนดูกายเห็นจิตที่เป็นคนดูเวทนาก็ไม่ใช่เราด้วยนะอันนี้ก็แบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งทําสมาธิลึกเลยนะ แบบที่แรกเนี่ยเป็นเรื่องใช้สมาธินาปัญญาทำสมาธิก่อนแล้วออกมาจากสมาธิแล้วมาเจริญปัญญาน้นนั่งดูจิตทำแบบนี้ก็ได้นั่งดูจิตที่ชำนิชำนาญเนี่ยไปเจริญปัญญาในสมาธิได้พวกที่ดูกายชำนาญเจริญปัญญาในสมาธิไม่ไดนะ้ถ้าไม่ชำนาญในการดูจิตเพราะอะไรเพราะตอนที่จิตเข้าฌานนั้นนะการเจริญปัญญาในฌานเนี่ยเาดูความเกิดดับขององค์ฌาน เช่นเห็นว่าจิตมีปีตนะิเกิดขึ้นมีสติรู้ทันปีติดับไปมีปัจสถาเกิดขึ้นเห็นปัจสถาดับไปจิตมีสมาธิตั้งมั่นเกิดขึ้นเห็นสมาธิในั้นดืใจที่เป็นกลางนะจิตมีอุเบกขาเกิดขึ้นเนี่ยเดินเข้าไปเห็นโพชฌงนะขึ้นไปทำมานุปัสสนาละเห็นความเกิดของโพชฌงความดับของโพชฌงได้นะหรือดูองค์ฌานปีติเกิดแล้วปีติก็ดับ อย่างพวกเราถ้านั่งสมาธิพะจิตมีปีติขึ้นมานะสติระลึกรู้ปีตินะปีติจะค่อยๆขำเดาลลดระดับลงนะไม่ดับ ท, ทันทีเพราะปีติไม่ใช่กิเลสนะปีตินั้นจะค่อยๆลดระดับลงนนในที้สุดก็หายไปจิตมีความสุขอิ่มเอิบใจขึ้นมาสติระลึกรู้ความสุขก็จะเห็นว่าความสุขก็ค่อยๆลดระดับลงกลายเป็นอุเบกขาความสุขก็ดับเป็นอุเบกขาขึ้นมานมีแต่อุเบกขากับเอกขตา2อัน นะเสร็จแล้วถ้าจิตเคลื่อนออกเนะี่ยบางทีก็เคลื่อนลงมาชาั้นสมมีความสุขขึ้นมาบางทีเคลื่อนจากชั้นสนะเคลื่อนออกมาชั้นสเลยเคลื่อนมาชั้นหนึ่งเลยนะมีปีติอนะไรเงีนะ้ยหรือเคลื่อนลงมามีความสุขอะไรขึ้นมาเนะนะเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงไม่ต้องเรียงลำดับหรอกนะถ้าชำนาญในการทำสมาธินะคนที่จะเดินปัญญาในชั้นได้จะต้องมีความชำนาญสองอย่าง หนึ่นาญในการเข้าฌานเข้าออกจนเป็นวสีจะเข้าก็เมื่อไหร่ก็ได้นะจะทรงอยู่ยังไงก็ได้จะถอยออกมาเมื่อไหร่ก็ได้จะเดินปัญญาพิจารณาอยู่ในฌานก็ได้นี่ถึงจะเรียกว่าวาสีวสีในฌานเนี่ยต้องมีองค์สีอย่างเนี้ยนะชำนาญในการเข้าชํานาญในการท <accomplishments> รงอยู่ชํานาญในการออกชํานาญในการพิจารณาองค์ฌานคือเดินปัญญาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีวสีจริงไอ้ประเภทเข้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ย นะยังไม่เรียกว่ามีภาษีต้องไปเดินปัญญาได้ด้วยนะคนจะเดินปัญญาในฌานได้นอกจากต้องเข้าฌานชํานาญนะยังต้องชํานาญในการดูจิตเพราะว่าองค์ฌานทั้งหลายเป็นนามนธรรมนะดูลงไปเรื่อยนะจนกระทั่งเข้าไปถึงอรูปร่างกายหายไปเหลือจิตดวงเดียวจิตดวงเดียวเนี่ยจิตยังเคยชินที่จะส่งออกจิตจะไปดูความว่างความว่างอยู่ข้างหน้าแต่ว่าไม่มีตาหูอะไรนะที่มัรู้สึกอยู่ข้างหน้าเฉย ดูความว่างความว่างนั้นมีขอบมีเขตอยู่เรียกว่าช่องว่างช่องว่างนี้จิตมันเข้าไปจับที่ช่องว่างมันส่งออกนะส่งออกนอกไปจับที่ตัวช่องว่างชื่ออากาสานัญจัยยตนะถ้าสติปัญญาเคยชำนิชำนาญในการดูจิตก็จะรู้ทันว่าจิตเคลื่อนออกไปทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนออกไปสติก็จะมารึกระลึกรู้ตัวจิต เมื่อระลึกรู้อยู่ที่ตัวจิตเนี่ยนะถ้าจงใจระลึกปุ๊บตัวจิตที่ถูกรู้เนี่ยตัวจิตตัวเนี้ยมันกลายเป็นตัวถูกรู้ไปแล้วจะเกิดจิตซ้อนจิตไปเรื่อยจะเกิดตัวรู้ใหม่ไปรู้จิตตัวเก่าพอสติระลึกรู้มาที่ตัวรู้อันใหม่นะตัวรู้อันใหม่ก็กลายเป็นของถูกรู้อีกเกิดตัวรู้ซ้อนอีกตัวรู้จะซ้อนไปเรื่อยตัวรู้ไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดเลยเรียกว่าวิญญาณเป็นอนันต์ การที่เราเห็นวิญญาณเป็นอนันต์จับอยู่ที่ตัวรู้นะวิญญาณเป็นอนันต์ซ้อนๆๆอนนอนี้จงใจใช้สติจับแรงมากมันจะซ้อนไปเรื่อยแต่ถ้าแค่สักว่าเรารึกรู้ว่าจิตมีอยู่นะหรือวิญญาณมีอยู่เนี่ยมันจะไม่เกิดการซ้อนระวังอย่าให้เกิดการซ้อนนะถ้าเกิดการซ้อนหรือไปจับแค่ไปจับมันนิ่งอยู่นะแก้ยากละติดสมถะที่แก้ยากมากทั้งสองอย่างเลยไอ้ซ้อนซอนนี่แก้ง่ายกว่านะ เพราะว่ามันมันไม่มีความสุขนะนี่จะซ้อนจนกระทั่งเบียนหัวเลยถ้าซ้อนถี่มากๆนะวับัวบวบววนะวิญญาณเป็นอนันๆไม่มีที่สิ้นสุดเลยแต่ถ้าไปประคองจิตว่างๆอยู่เนี่ยมีความสุขติดเลยตัวเนี้ยติดแก้ายากที่สุดงั้นอย่าไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างนะอย่าไปพลาดจะไปตายอยู่ที่วิญญาณนันจายตนะเนี่ยนีบางค น, นยังถ้าดูจิตชนานาญนะก็ดูอ ง, งชานได้อีก นะเมื่อกี้จิตไปจับอยู่ที่ความว่างก็รู้ทันจิตมาจับอยู่ที่จิตก็รู้ทันการที่จิตจับความว่างก็เป็นภาระการที่จิตจับอยู่ที่จิตก็เป็นภาระก็ไม่มจับทั้งจิตและความว่างเมื่อไม่จับทั้งจิตและความว่างเนีใจจะโปร่งยิ่งกว่าเก่าอีกนะมีความสุขความสบายแบบประณีตมากเลยตัวเนี้จิตเข้าไปสู่ความว่างที่ใหญ่กว่าเก่านะใหญ่กว่าเกา่าไม่มีอะไรเลยเรียกว่าอากินจัญ ญ, ญายตนะ จิตจะเข้าสู่อากินจัญญายตนะเมื่อจิตเข้าสู่อากินจัญญายตนะแล้วสัญญาจะค่อยอ่อนกําลังลงนะตังอากินจัญญายตนะเนี่ย Isaiah, ถ้าเราจะเข้านิโรธสมบัตินะจะเข้าจากอากินจัญญายตนะนี่นะจะกําหนดจิตในอากินจัญญายตนะนี่แหละแล้วก็ให้ข้านิโรธแล้วก็ปล่อยจิตให้ผ่านเนวสัญญาไปแล้วมันจะเข้านิโรธไปเองนะอันเนี้ยในตาํารามีหมดเลยนะพวกเนี้ย ในคำเพียรพิธรรมนะสอนอยู่บทหนึ่งเป็นเรื่องแปลกมากเลยสอนบอกว่าพระอริยบุคคลที่ชํานาญในการดูจิตสามารถเจริญวิปัสสนากรรมฐานในเนวสัญญาณาสัญญายตนะได้มีเงื่อนไขแค่นี้เองหนึ่งต้องเป็นพระอริยบุคคลสองพระอริยบุคคลองนั้นชํานาญในการดูจิตและชํานาญในฌานด้วยนะถึงจะไปเจริญปัญญาในเนวสัญญาได้เพราะละเอียดมากประณีตมาก ถ้าพวกคนทั่วๆไปพอถึงเนวัสัญญาเนี่ยสลบเลยไม่รู้เรื่องแล้วนะเคลิ้มแบบฟ้าผายไม่รู้สึกเลยไม่เดินปัญญามันจะไปค้างเฉยๆอยู่นี่ถ้าเราหัดดูจิตให้ชํานาญนะแล้วเราเก่งชาญจริงๆนะจนถึงเนวัสัญญาเรายังเดินปัญญาได้เลยถ้าไม่ไม่ชํานาญในการดูจิตจะไปเดินปัญญาในเนวัสัญญาไม่ได้นะแล้วถ้าไม่ใช่พระญะบุคคลไม่ได้นะต้องถึงระดับพระญาบุคคลที่ชํานาญในดูจิตนะถ้า แค่ชํานาญในการดูจิตเนี่ยจะได้ไล่ๆล่ไล่ไปเจริญปัญญาได้ใน 1-7 ึนคือในวาสัญญาเนี่ยไม่มีกําลังพอจิตไม่มีพลังพอนี่รลวงพอสอนไป2แบบแนะนะวิธีเจริญปัญญาของพวกดูจิตหนึ่งทสมาธิออกจากสมาธิมาเจริญปัญญาถ้าสมาธิลึกมากมาดูกายก่อนมาดูเวทนาไปเห็นกายเห็นเวทนานะจิตเป็นคนดู ถ้าสมาธิไม่ลึกมากให้รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตนะเมื่อกี้สงบตอนนี้ไม่สงบเมื่อกี้สุขตอนนี้ไม่สุขเมื่อกี้ปิติตอนนี้ไม่ปิติออกมาอยู่ข้างนอกนะแฝงจิตเริ่มแฝงดูความเปลี่ยนแปลงอันนี้สําหรับพวกที่ใช้ปัญญานําสมาธิถ้าพวกใช้สมาธิปัญญาควบกันทําแบบที่สอนตะเกียบมันมีอีกช้อยหนึ่งสําหรับคนที่ทําชาญไม่ได้สองอันนี้ต้องสําหรับคนทําชาญได้นะ อัแรกเข้าฌานออกจากฌานมาเดินปัญญาอันที่2จเจริญปัญญาในฌานนะถ้าได้เป็นพระดิยาบุคคลด้วยชํานาญดูจิตด้วยนะจะเดินปัญญาได้ถึงในเนวสัญญาณาสัญญาญาตนะถ้าไม่ถึงระดับนั้นทําไม่ได้นะแต่ถ้าปฐมฌานทุตีย่อยฌานอะไอย่างพวกเราถ้าเข้าฌานเป็นนะเราดูจิตเป็นเราก็ทําได้จเจริญปัญญาได้จะเห็นองค์ฌานเกิดดับไปนะมันมีใช้ที่3ใช้ที่3คือใช้ปัญญานาสมาธิ ปัญญายามสมา ธ, ธิเนีย่ยก็คืออาศัยสตินะรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเลยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลง น, น, นะรู้ไปเรื่อยจิตใจมีความสุขก็รู้จิตใจมีความสุขที่หายไปแล้วก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้นะจิตใจสงบก็รู้จิตใจฟุ้งซ่านก็รู้นะจิตใจสบายก็รู้จิตใจไม่สบายก็รู้นะเรียกคอยรู้ความรู้สึกที่หมุนอยู่ในใจเรา นะดูไปเรื่อยๆดูไปธรรมดานี่เองอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติให้กระทบอารมณ์นะไม่ใช่ห้ามกระทบอารมณ์ตามองเห็นรูปความรู้สึกมันเปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกมันเปลี่ยนจมูกได้กลิ่นความรู้สึกมันเปลี่ยนนะลิ้นกระทบรสความรู้สึกมันเปลี่ยนร่างกายกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวความรู้สึกมันเปลี่ยนใจไปคิดนึกขึ้นมาความรู้สึกมันเปลี่ยนไปนั่งสมาธิะ ความรู้สึกก็เปลี่ยนเช่นพอเริ่มนั่งเลใจก็ฟุ้งซ่านอย่างพวกเรานั่งก็ใจก็ฟุ้งซ่านอ่ะไม่ได้มีหรอกไอ้ที่นั่งแล้วสงบเข้าฌานรวดเร็วอะไรนะนั่งไปก็ฟุง้งไม่ก็เที่ยวหาพวกเราคนไหนเวลาจะดูจิตดูใจแล้วมันมีการหาบ้างไหมใครเคยหายกมือซิมันจะสายสายสายใช่ไหมแต่ผมไม่มีหรอกไอ้ที่แ บ, บเข้าวฌานนะส่วนใหญ่ก็ได้อย่างนั้นสายไปสายมาเห็นไหมใจมันหาได้เอง รู้ไหมว่าใจกําลังส่งจิตไปหาไม่ได้ดูจิตกําลังเที่ยวส่งจิตพว่าจะไปดูอะไรดีพอหาไปหามาไปเจออะไรเขาสักอย่างหนึ่งนะก็ตะครุบเอาไว้จับเอาไว้จับเอาไว้แล้วก็ไปดูอยู่นั่นแหละที่จริงดูอารมณ์นะดูสิ่งที่จิตไปตะครุบไว้ไม่ได้ดูจิตหรอกถ้าดูจิตเป็นก็จะเห็นเลยจิตสายจิตกําลังแสวงหารู้ว่าจิตแสวงหาจิตเคลื่อนไปจับอารมณ์แล้วรู้ว่าจิตเคลื่อนไปจับอารมณ์แล้วอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ารู้ทันจิต ถ้าจิตหาสายสายแล้วจิตงุนหงิดหาอะไรก็ไม่เจองุนหงิดหรือจิตสงสัยว่าจะดูอะไรดีรู้ว่าจิตสงสัยนี่เรียกว่าเจริญปัญญาลน้นะเนี่ยลองหัดดูนะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปไม่เลี่ยงการกระทบอารมณ์นะยกเป้นจะสู้ไม่ไหวจริงๆเช่นไอ้คนคนนี้ควตรตีนมากเลยนะเห็นที่อะไรอยากเตะมันละนะหรืออยากต่อยอยากตบอยา ก, ยากข่วนมันอยากกัดมั น, นทนไม่ไหวแล้วนะสติจะแตกแล้วย่างงี้หนีก่อนถอยไป อย่าไปดูหน้ามันนะหนีไปที่อื่นก่อนไอ้ น, นี้จวนตัวจวนตัวเนี่ยต้องหนีพระยังหนีเลยรูบาอจารย์ยังเคยเล่าให้ฟังเลยนะว่าสมัยท่านหนุ่มๆอะ่ะทุ ด, ดงไปไปเจอสาวนะสาวทําไมมันสวยอย่างนั้นสวยมากเลยนะหนีเลยสู้ไม่ไหวแล้วหนีเดี๋ยวผ้าเหลืองหลุดกันหนีหนีไปหนีมาเวรกรรมนําพาไปนะหนีไปไอ้สาวเนี่ยมันไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะผ้านี่ก็ไปเจอมันอีกนะสุดท้ายศึกเลยก็มีนะ และแต่เวรแต่กรรมนะสู้ไม่ได้ก็ต้องถอยเพราะงั้นสมมุติว่าเราอยู่ตรงนี้นะพอน้มไม่ได้สติจะแตกแล้วถอยได้ก็ถอยก่อนทํางานตรงนี้นะรู้สึกไม่ไหวเครียดเกินไปแล้วพอวน้ำไม่ได้แล้วเปลี่ยนงานได้ก็เปลี่ยนก่อนไม่ใช่ว่าต้องสู้ตายสู้ตายเดี๋ยวตายจริงๆนะเราจะสู้ตายถต่เมื่อเรารู้ว่ามีทางชนะนะแล้ว<ม>นะเอาชีวิตเข้าแลกแล้วแลกแบบมีทางชนะไม่ใช่รู้ว่าตายแงๆ่ๆหรือตายเปล่านะไม่ต้องไปแลกกับมันหรอกถอยไว้ก่อนนะ อย่างไปนั่งสมาธินะกลัวผีกลัวผีถ้ากลัวไม่มากนะดูมันไปเลยถ้ากลัวจนสติจะแตกกาจจะบ้าแล้วนะอย่าวิ่งนะค่อยๆเดิน <c oughs> มีครั้งหนึ่งนะมีพระเล่าให้ฟังมีแม่ชีคนหนึ่งเขาได้ยินข่าวว่ามีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งอยู่แถวหินมักเป้งนี่แหละถ้ำนี้ผีดุที่สุดเลยดุมากๆเลย ใครขึ้นไปเนี่ยผีจะหลอกแม่ชีเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยเดินไปที่ถ้านี้ยังไม่รู้ว่าถ้านี้ผีดุเห็นว่าถ้านี้น่าอยู่ตั้งใจอธิษฐานเลยอยู่ถ้านี้เจ็ดวันตั้งใจไว้เลยนะอยู่เจ็ดวันพอตั้งใจก <c oughs> ็เห็นผีนะักกลางวันแสกๆนะโผล่ขึ้นมาจากก้อนหินโผล่ขึ้นมาจากพลานหินโผล่ขึ้นมาครึ่งตัวทะลึงตาใสโอ้ยแกดสติจะแตกนะ แต่แกอดทนนะเพราะแกะกลัวเสียสัตจะนี่สุดยอดมนุษย์เลยนะอาศัยสัตวจะเป็นเครื่องช่วยเลี้ยงตัวเองได้ไม่หนีถ้าจะตายจะบ้านะขอตายตรงนี้ขอบ้าตรงนี้เพราะตั้งสัตวจะจะอยู่ตรงนี้เจ็ดวันผีก็เก่งมากเลยมีวิริยะอุสาหะน่าสรรเสริญนะหลอกตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะจะหันไปทางนี้ก็เจอหันไปทางนี้ก็เจอนะมันหลอกแกก็อยู่จนได้นะ ครบวันที่เจ็พอได้แสงสว่างขึ้นนะร้องกรีดเลยก่อนหน้านั้นไม่ร้องนะแล้ววิ่งเลยดีนะวิ่งวิ่งเข้าวัดไม่ถูกนะวิ่งออกไปนอกวัดดีวิ่งไปเจอหมู่บ้านนะได้กลับเข้ามาต่างวัดได้อ้อมภูเขากลับมาได้ก็เลยถ้ำนี้นะได้รับเกียรติยศแม่ชีเนี่ยได้รับเกียรติยศตั้งชื่อถ้ำนี้ว่าถ้าสัจจคูหาเนะียังอยู่นะถ้เนี้ยใครจะลองดูก็เอา แต่ผีมันไม่อยู่แล้วล่ะผีมันเบื่อแล้วงั้นสู้ไม่ได้ถอยไว้ก่อนแต่ถอยต้องมีชั้นเชิงอย่าให้สติแตกเดี๋ยวบ้าไปเลยนะเช่นเราอยู่กับคนนี้เกลียดอยู่ไม่ไหวแล้วเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทนเอานะอย่างยายฉีนี่แหละยงเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทนเอาแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้ามันไม่รุนแรงมากนะสู้พยายามสู้ เวลาโชคเนี่ยพยายามโชคกับคู่ชคที่เก่งกว่าเรานิดหน่อยอย่าไปหารโชคกับคู่ชคที่เก่งกว่าเรามากๆอย่างเบื้องต้นเนี่ยคู่ชคของเรานะคือความเห็นผิดว่ามีตัวเราชคกับตัวนี้ก่อนอย่าไปชคว่าทํายังไงจะละกามได้เดี๋ยวสติแตกสู้ไม่ไหวหรอกนะให้มันมีลําดับนะเบื้องต้นเนี่ยสู้กับความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนวิธีสู้กับความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนก็คือดูของจริง ดูกายดูใจใก็เห็นว่าไม่มีตัวมีตนอะไรนะความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วดับโรคโกรธหลงเกิดแล้วดับนะมีตามองเห็นก็เกิดสุขมีตามองเห็นก็เกิดทุกข์มีตามองเห็นก็เกิดโลคเกิโดโกรธเกิดหลงอะไรขึ้นมานะเสร็จแล้วทุกอย่างเกิดดับหมดเลยเนี่หัดดูไปตามธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้การดูจิตนะสําหรับพวกที่ไม่ได้ชานนะดูในชีวิตประจํำวันอย่างนี้ให้มากแต่ถึงเวลาต้องไหวพระส่วนมนนะและทุกวันต้องรักษาศีล ตื่นนอนมาตั้งใจว่าวันนี้รักษาศีล5ก่อนจะกินข้าวของวันตั้งใจจะรักษาศีล5ก่อนจะนอนตั้งใจรักษาศีล5บอกตัวเองเรื่อยๆเราจะตายตอนไหนเราไม่รู้นะเผื่ อ, อยังไงก็ให้ตายกัด้วยการมีศีล5ก็ไม่ไปอบายแล้วนะตั้งใจไว้ยอย่างนั้นเรื่อยๆแล้วก็รักษาศีล5นะแล้วก็ทุกวันทําในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์นะทำสมาธิไม่เป็นก็นั่งสวดมนต์ไปหรือเปิดซีดีหลวงพ่อนะเปิดเบาๆให้หน้ตหูคนอื่น เปิดแล้วก็นั่งดูจิตดูใจของเราไปทําไปแล้วถัดจากนั้ น, นออกมาอยู่ในชีวิตจริงก็มาเจริญสติในชีวิตประจําวันเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วเกิดสุกรู้ทันเกิดทุกรู้ทันเกิดกุศลรู้ทันเกิดโลภโกรดหลงรู้ทันนะใครรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจสุดท้ายก็ปัญญาเกิดก็เห็นว่าจิตสุข ก, ก็ชั่วคราวจิตทุกก็ชั่วคราวจิตโกรดจิตโลภจิตหลงชั่วคลาวนะ มีแต่ของชั่วคราวจิตดีก็ชั่วคราวจิตชั่วก็ชั่วคราวจิตสุขจิตทุกชั่วคราวหมดเลยสุดท้ายปัญญามันก็เกิดนะว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเวลาเราเรียนรู้เราเห็นทีละชิ้นทีละชิ้นนะเห็นคล้ายๆเห็นตัวอย่างที่เราไปศึกษาเช่นเห็นความโกรธเกิดแล้วดับความโลภเกิดแล้วดับความหลงเกิดแล้วดับเห็นเป็นบุรณนกันแต่ตรงที่ปัญญาเกิดเนี่ยตรงที่อริยะมากเกิดเนี่ยมันจะรู้ว่า สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไม่ได้ดูเป็นชิน้นชิ้นะไม่ได้ดูเป็นนานต์ละแต่เกิดความเข้าใจในภาพรวมเนกะิดความเข้าใจในภาพรวมว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปถ้าเป็นธรรมะที่สูงนะอริยมรรคขั้นที่สูงขึ้นไปก็จะเห็นทุกข์เห็นโทษกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเพราะทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกเพราะถูกบีบคั้นทุกเพราะ บ, บังคับไม่ได้นะถ้าใใหเห็นอย่างนี้ได้ก็ได้อนาคขา ถ้เห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นเป็นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้อันนี้จะได้พรร ห, หนันต์เนี่ยปัญญามันก็เป็นขั้นขั้นขั้นขึ้นไปพวกเราตอนนี้ก็ดูไปเรื่อยว่าแต่ละอย่างเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้หรอกมันมาแล้วมันก็ไปมันเกิดแล้วมันก็ดับนะจิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตที่ดีจิตที่ชั่วเกิดแล้วดับหมดเลยเนี่ยดูไปเรื่อยๆนะ แต่ว่าอย่าลืมถือศีลห้าอย่าลืมแบ่งเวลาให้ทำในรูปแบบทุกวันจะทำให้จิตของเรามีพลังมากขึ้นมากขึ้นถ้าจิตไม่มีพลังภาวนาลำบากน ะ, ะไปทานข้าวนิมนต์นะครับ